ก็ก็ฟังธรรมกันสักหน่อยเนาะในโอกาสที่เราพร้อมหน้ากันในวันอาสาราบูชาปีสอ5พันห้าร้อห้าสิบแปดก็เป็นวันที่พวกเราหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกแสดงธรรมาจากป ร, ประวัตนสูตร ันหลายคนก็ทราบแล้วแต่ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญนะที่บางคนอาจจะไม่ทราบนะวันนี้ก็เป็นวันที่นะ36ปีก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะประสูนนะพมารดาของพระเองค์ก็ทรงนิมิตนะเห็นั้งเปลือกนะรอยลงมาจากท้องฟ้านะ แล้วก็เข้ามาในสุพนธ์ของพระมาณดาของพระพุทธเจ้าในคืนวันเนี่ยวันอาสาฬหะนี่แหละพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุติลงมาสู่พระคันของของพระมาณดาเรียกว่าจุตินะจุติอยู่ในคยูใ น, นถันภาษา ภาษาพราะก็ถือว่าที่จริงถือว่าเป็นวันเกิดก็ได้นะเป็นวันเกิดนะแต่เกิดอยู่ในทันนะยังไม่ได้เกิดออยู่ออกมาจากท้องนะีวก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะที่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าอนะแผ่นดินไหวหรือว่าฟ้าสะเทือนก็ได้นะแล้วก็จนกรทั่งท่านโตขึ้นมาแต่สรู้ธรรมแล้วก็อนะได้แสดงธรรมครั้งแรกกว็วันนี้เนาะอืนะ นั้นวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากที่เกิดพะพุธเจ้านะในคันมารดาแล้วก็เป็นการเกิดนะเกิดพระสงฆ์รูปแรกนะนะของโลกตามมาด้วยเนื่องจากครรมะที่สำคัญก็คือว่าสอนเรานะสอนเราไม่ให้จิตในทางสึดตองสองด้านทางแห่งความ ม, มากในกาลคุณนะ ทางแห่งความเคร่งคัดจนเคร่งเครียดนะนะจริงจันเกินไปนะแต่ทางสายการเนะี่ยจะเรียกว่าเป็นทางแห่งความพอดีนะทําอะไรก็ทําให้มันพอดีนะอนะตั้งใจอนะ่แต่ก็ไม่เคร่งเครียดนะสบายแต่ก็ไม่ใช่ย่อหย่อนนะเป็นความทําอะไรก็พอดีนะ ถ้าเรารู้จักความพอดีนะทาอะไรนะร่างกายมันก็จะไม่เคร่งเครียดจิตนะใจก็ผ่อนคลายนะแล้วก็ทำด้วยความรู้ตัวนะทำด้วยความปล่อยวางนะจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ตั้งใจทำแต่เกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็ยอมรับแล้วก็วางใจได้ นี่แะคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ไม่ใช่สอนแต่นักบวชเราเป็นฆราวาสเราเป็นนักบวชเราก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราปฏิบัติที่กายแล้วก็ที่ใจของเราเนี่แหละนะทำกายของเราเนาะให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นอิสระทํนะาใจของเราให้รู้สึกสดชื่นเบิกบาน สิ่งที่เกิดขึ้นกับตายกับใจเราเนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาเรียนรู้ดนะนะูเรียนรู้เห็นว่าเป็นอะไรเห็นว่าอ้อมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นะหาตัวตนอยู่ในกายในใจนี้มันไม่มีนะนะปัญญายาของพระพุทธองค์ท่านเห็นเนี่ยแหละว่าอ๋อท่านเห็นว่าตายนีนะ้มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจนี้ก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อถ้าเห็นความจริงนะว่าร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ก้อนธาตุมันเป็นเพียงแค่ขัน น, น, นะที่มาประชุมกันเท่านั้นพอท่านเห็นความจริงต่างๆ่เหล่านะี้สังขารการปรุงแต่งนะก็หลอกไม่ได้นะก็หลอกให้เรา สุกบอกให้เราทุกดอกให้เราดมไม่ได้เนี่ยพอบอกไม่ได้นะนจิตก็เป็นจิตระจิตก็หลุดพ้นผู้ที่ได้ทําตามพระพุทธองค์องค์แรกเช่นพระอัญญาโกตรัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าเห็นสัจธรรมตรงนี้แหละเห็นจริงว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เรานะเลิกนะการยึดมั่นถือมั่นนะสัมพันธ์หมายในกายนี้ไม่ใช่เราได้ ก็เป็นพระอิยนะน่ะอญญายะสมตามมานะพระรูปอื่นๆก็ค่อยๆทยอยนะบนรรลุธรรมตามมานะพวกเราเองก็ให้ถือเป็นนิมิตที่ดีเนาะเป็ น, นนิมิตหมายที่ดีในวันอาสาระหารนะบุญนหะมีนั่นแหละเนาะในการที่เราพยายามนะเดินทางสายการนะทำอะไรก็ทำให้ มีความเทียนก็เพียนให้พอดีนะมีความจริงจังก็จริงจังให้พอดีนะไม่เคร่งเครียดไม่เคร่งพัดจนกทั่งเค่งโทษคนอื่นนะแม้บางครั้งอาจจะหลงจิตแม้คนอื่นจะหลงจิตนะเราก็มีจิตเมตตามีจิตกระลปนานะเอารื้อเอื้อแพ่ให้ใป ค, คนอื่นกอได้ อะไรจะเกิดขึ้นมาก็อมีอุเบกขานะวางใจเป็นกลางวางใจตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวโลกกระทาอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวนะไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบนะให้เรารู้ทันะให้เขาร้อยรอยรืดทันถ้าใจเราไหวไปก็อาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าสติอนะดึง ดึงจิตนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนะดึงกลับมาไหลไปอีกก็ไม่เป็นไรดึงบ่อยๆนะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะจิตมันก็จะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนานะต่อไปจิตมันก็จะเชื่องขึ้นนะจิตก็จะมีที่อยู่มากขึ้นนะ แต่ก่อนเคยเ็ดเร่เร่ร่อนนะพอเราดึงเขากลับมาบ่อยๆเขาก็จะรู้ว่าอ๋อที่จริงบ้านของเขาคือตรงนี้นี่เองนะกลับมารู้สึกตัวนี่เองเมื่อกลับมารู้สึกตัวจิตก็ตั้มมั่นจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบนะอ่เราะนั้นแหละมันจะมีกำลังนะให้เราเห็นความจริงของกายแล้วก็ใจว่า มันก็ไม่เทียมมันก็เป็นทุกมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเห็นแล้วมันก็เกิดความนะปล่อยวางนะเกิดความหลุพ้นนะอันนี้แหละคือปัญญาที่เรานะฝึกฝนเพื่อให้เราเข้าถึงตรงนี้เนาะเพืให้พวกเราได้พยายามทำความเทียนไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อคอยกลับมาดูกายดูใจของเราอยู่เสมอนะ เราดูคนอื่นเราเห็นคนอื่นเราก็น้อมเอาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเอาเข้ามาใส่ตัวไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่เราจะกลับมาเพ่งโทษที่ตัวแต่คําว่าเพ่งโทษตัวไม่ใช่ว่าตีอกโจกหัวตัวเองแล้วก็โกรธตัวเองเกลียดตัวเองนะแล้วกลับมาเพ่งดูว่าอะไรที่เรานยังแก้ไม่ได้ เราก็จะค่อยๆแก้ไปไอะไรที่เราหลงเราก็จะค่อยๆรู้ทันมันแล้วก็พัฒนามันไปเรากลับมาทำงานของเราตรงนี้แหละงานที่เริ่มต้นจากตัวเราก็เป็นคนแรกเรามาเริ่มจากการพัฒนากายพัฒนาใจของเราเป็นคนแรกแล้วเราก็เมื่อเรามีสติมีปัญญาระดับใดระดับหนึ่งล้วก็เอาไปบอก อาไปสอนเอาไปเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นต่อนะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อต่อคนใกล้ตัวเราเป็นประโยชน์ต่อนะสังคมต่อไปเรื่อยๆอันนี้แหละคนะือศาสนะาเนาะพระพุทธองค์ท่านเข้าถึงธรรมะนะค้นพบธรรมะท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ประโยชน์แค่เฉพาะตนนะแต่เป็นประโยชน์ที่ยังมีหลายคนที่เขาก็สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้นะ วันนี้ก็เป็นวันที่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกินวิสัยเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้แต่ก็ยังมีสาวกอีกหลายคนที่พร้อมที่จะมีดวงตาเห็นธรรมตามพระพุทธองค์ได้น่มีดวงตาองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองอค์ที่สามสืบต่อกันมาจนกทั่งถึงพวกเรานาะสองพันหกร้อยปี กว่าได้แล้วเนะี่ยก็เป็นดวงตาที่ยังสืบต่อกันมาเนาะนะเราก็อยากให้มันเสียชาติเกิดนะที่เราได้เกิดมานะได้เกิดมาเป็นมนุษยนะ์มนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงนะผู้ที่มีใจที่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้เนะี่ยคือศักยภาพของมนุษย์นะ เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถฝึกฝนจิตใจเราให้พ้นจากกองทุกได้นะเราสามารถเรามีพระพุทธเจ้ามีพระศาสนานะคำสั่งสอนก็ยังไม่ยังไม่ตกยุคยังไม่สิ้นนะไม่ยังไม่สิ้นพุทธการนะเรายังสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้ผลได้ไม่จำกัดการนะ ทั้งปฏิบัติได้นะไม่จำกัดการทั้งให้ผลได้ไม่จำกัดการนะนะทั้งสอบแง่นะไม่ใช่ว่านะการให้ผลไม่จำกัดการเท่านั้นแต่จริงเราก็ปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาเหมือนกันนะนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นกิจนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขณะที่เราอยู่คนเดียวหรือไม่ว่าจะเป็นขณะ ที่เราอยู่กับคนอื่นธรรมะไม่จำกัดการคนะเราเอาไปใช้นะเอาสติเอาสมาธิปัญญาเอาไปใช้กับทุกการทุกเวลาอันนะั้นแหละธรรมะจะนะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นในใจของเราแล้วก็ค่อยๆเบ่งบานนะในใจของคนอื่นด้วยอันะนะี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้เล็กๆน้อยๆ น, นะในในค่ำคืนวัน อาสาะหนะบุญธรงมีที่เราได้มานะมารวมกันทาวัดเย็นแล้วก็ได้ทำธรรมแล้วเราก็จะได้ประพุตปฏิบัติธรรมกันนะตามกําลังนะของเราเนาะนะก็อนุโมทนากับทุกท่านเนาะที่ได้สุษสาลเดินทางไกลฝากสันะนะจราจรรถติดมาเพื่นะเด็กก็มาจากเงินกะลุงมมาสู่นะ ที่ศาลาจนดังเคียงแห่งนี้แนละ้วก็ฝอยพวกเราทุกคนได้มีดวงตาเห็นธรรมนะตามพระัญญาโปทัญญะที่ท่านได้ฟังธรรมวันนี้แล้วก็ได้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันในชาตินี้นะด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเพือนข้าพเกัน